พระไตรปิดกเล่มที่ส2องมหาโคสิงคสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าโคสิงคาสารวันสูตรใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าโคสิงคาสารวันพร้อมด้วยพระเทระผู้เป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงหลายรูปครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะพระมหากสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระอานนท และท่านพระเรวตต์ไปพบท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระสารีบุตรได้ถามปัญหานี้ว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจางไม้สาละบานสะพังทั่วทุกต้นกลิ่นดุดกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปแต่ละท่านเห็นว่าป่าโคสิงคสารวันนี้จะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร ท่านพระอานนท์ตอบว่าภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพ ร, ร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะประกาศรมจาจาริสุท์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ ภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสีด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุัยป่าโคสิงคสกษลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ข้อนี้สิ่งที่ท่านพระอนนตอบทั้งหมดเป็นคุณสมบัติของท่านพระอานนที่มีอยู่ครบถ้วนพระหูสูตรหมายถึงได้ศึกษาเล่าเรียนระวังกษัติสัจ คือคำสอนของพระศาสดามีองค์เก้ามาครบถ้วนโดยบาลีและอนุสนทิทรงสุตตะหมายถึงสามารถทรงจำนวังขสัตถุศาสนั้นไว้ได้แม่นยำแม้เวลาผ่านไปสิบปียี่สิปีก็ไม่ลืมเลือนเมื่อถูกถามก็สามารถตอบได้สังสมสุตตะหมายถึงจดจำนวังคสัตตุสาสนั้นไว้ได้จนขึ้นใจ หุดรอยขีดที่หินคงอยู่ไม่ลบเลือนฉะนั้นท่านพระเรวัตต์ตอบว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นมันประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนเรือนว่าง ปาโคสิงคกสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ท่านพระอนุรุธตอบว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุหนึ่งพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บุรุษผู้มีตาดีขึ้นปราศาสอันโออาชั้นบนจะพึงมองดูวงกลมแห่งกงล้อจำนวนหนึ่งพันได้แม้ชั้นใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลกธาตุหนึ่งพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ตาโกสิงกสรารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้โลกธาตุในที่นี้หมายถึงโลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุประกอบด้วยจักรวาลหนึ่งพจักรวาลหนึ่งพันโลกธาตุเท่ากับหนึ่งล้านจักรวาล สำหรับสัตว์ส่วนในพระไตรปิฎกขอให้พึงทราบว่าเป็นไปโดยประมาณการเหมือนที่เราเรียกว่าโจรห้าร้อยก็ไม่ได้มีโจรห้าร้อยคนนะครับแต่เป็นสํานวนเท่านั้นท่านพระมหากัสป่าตอบว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ตนเองอยู่ป่าเที่ยวบินธรรมบาตถือผ้าบางสุ ก, กุลถือไตรจีวรเป็นวัด และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือข้อปฏิบัตินั้นๆตนเองเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ไม่คลุกคลีเป็นผู้ปรารรความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมีคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ และกล่าวสรรเสริญแห่งคุณของความสมบูรณ์นั้นๆปาโคสิงค์กสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ท่านพระมหาโมคลานะตอบว่าภิกษุสองรูปในพระธรรมวินนันนี้กล่าวอภิธรรมกถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพัก และทำรรมีคาถาของเธอทั้งสองนั้นก็ดำเนินต่อไปป่าโคสิงกสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ท่านพระมหาโมคลานะถามความเห็นท่านพระสารีบุตรว่าท่านคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคลานะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิต เธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นอีผ้าของพระราชาหรือราชมหาอัมมาศ ซึ่งเต็มด้วยผ้าที่ย้อมแล้วเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ห่มเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงก็ห่มเวลาเที่ยงหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าเวลาเย็นแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันท่านโมกขลานะป่าโคสิงขสารวัน พึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้จากนั้นท่านพระสารีบุตรได้ชักชวนพระสาวกทั้งหมดไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันว่าคำตอบทั้งหมดของพระสาวกแต่ละท่านนั้นถ้าจะตอบให้ถูกต้องก็ควรตอบเช่นนั้นสมควรแล้วเพราะแต่ละรูป มีคุณสมบัติความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่ตอบมาดังนั้นท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าคําของใครเป็นสุภาษิตคือเป็นคําจริงถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรคําของเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยเหตุนั้นๆแต่เธอทั้งหลายจงฟังคาของเราหากมีคาถามว่า ปาโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเราจะตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้กลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นและไม่หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพียงใดเราจักไม่ทำลายบัลังนี้เพียงนั้น สาวรีบุตรปากโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล